บทที่25นางสาวจำแรงวันที่15้าเมษายนของทุกปีชาวตำบลบางม่วงหมู่ถือเป็นวันกระตันยูต่อบรรพบุรุษ พวกลูกหลานจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยการรดน้ำดำหัวนำเสื้อผ้ามาให้อาบน้ำล้างเท้าขอขมาลาทโทษต่อบิดามารดาและบุพการีพวกผู้ใหญ่ที่สูงอายุก็จะอํำนวยพรให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขส่วนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วลูกหลานก็จะนากระดูกที่เก็บใส่โกรไว้ ไปให้พระที่วัดบางสกุลเป็นการระลึกถึงพระคุณและอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้บุพการีพ่้ล่วงลับแม่จูวรทิพย์พองตลอดจนลูกสาวลูกเขยพากันมาอาบน้ำให้ยายที่บ้านซึ่งยายจัดเตรียมขนมจีนน้ำยาวไว้เลี้ยงคนที่เหนื่อยที่สุดในงานก็เห็นจะได้แก่หนุ่มเจริญจรุนร โดวยว่ายายไม่ค่อยจะแข็งแรงเช่นแต่ก่อนกำลังวังชาถดถอยลงไปเพราะสังขารเสื่อมหนุ่มเจริญซื้อผ้าจงกระเบนให้ยายและแม่จวนคลถุงเสื้อคอกระเช้าสีขาวคลาตัวส่วนทิ์พองได้พาเขาม้าเนื้อดีที่สุดในตลาดยายชอบไหมผ้าถุงสีนี้นะ่ะหนุ่มน้อยถาม เขาเลือกสีเปลือกมังคุดให้ยายโดยเห็นว่ายายไม่ค่อยจะมีผ้านุ่งสีนี้มาก่อนชอบสิไอ้หนูเป็นของขวัญชิ้นแรกในชีวิตที่เองให้ยายทำไมยายจะไม่ชอบว่าแต่ว่าเองเอาเงินทองที่ไหนละ่ะถึงได้ซื้อของแพงๆอย่างนี้มาตั้งมากมายยายถามหาที่มาผมก็เก็บรวบรวมไว้ครับ รับรองว่าเป็นเงินบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆคำกล่าวบริสุทธิ์เข้าหมายเพียงว่าไม่ได้ขโมยของยายหรือของผู้อื่นขอให้จำเริญจำเริญ น, นะลูกนะแม่จวนให้พร ล, ลูกมือลูบไล้ผ้าจงกระเบนสีมักสุกที่ลูกให้พ่อหลักครับชอบพักมะผืนนี้หรือเปล่าชอบที่สุดเลยไอ้หนู พ่อไม่เคยใช้ผ้าเนื้อดีๆอย่างนี้มาก่อนเพราะเห็นว่ามันราคาแพงเองไม่น่าจะเสียเงินเสียทองซื้อมาให้พ่อเลยน่าจะเก็บเอาไว้เป็นทุนเรียนหนังสือทิดพองพูดตามประษาคนตรนียายชอบเคยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆตรงที่เขามีนิสัยเหมือนยายคือผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจะทดแทนพระคุณของยายและพ่อแม่ เพราะอีกสองเดือนผมก็จะต้องไปเรียนที่บางกอกกว่าจะได้กลับมาพบกันอีกก็คงจะหลายปีหรือถ้าเคราะห์หามยามร้ายไปตายเสีที่บางกอกก็จะไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณหนุ่มน้อยพูดเศร้าๆนึกถึงเจ้าปูหอยตัวนั้นหากมันถูกฆ่าตายตัวเขาก็คงอายุไม่เยินไอ้หนูเอ็งอย่าพูดเป็นลางอย่างนั้น เองยังไม่ตายง่ายๆหรอกเพิ่งอายุส6ยายตั้งแ4สิบสียังไม่ตายเลยยายสัญญาว่าจะประคองชีวิตอยู่ต่อรอเองกลับความรักหลานทำให้ยายพูดในสิ่งที่ผิดต่อหลักของเหตุและผลได้เหมือนกันถ้าเองต้องเสี่ยงอย่างนั้นแม่ว่าไม่ต้องไปเรียนดีกว่าอยู่บ้านนอกบ้านานานี่แหละ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 อยู่กับยายก็ถือศีลกินเพนกับยายมาตลอดทิดพองพูดเพราะไม่รู้วีรกรรมของลูกชายแม่จวนรู้แค่ว่าเขารับจ้างงมหอยมาเลี้ยงเป็ดส่วนยายรู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องที่แม่จวนรู้คำพูดของทิดพองทำให้ลูกชายนั่งเงียบตัวเขานั้นรู้ดีกว่าใครเพื่อนว่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปมากมายเพียงใด เมื่อพูดถึงผลของบาปจึงทาให้ใจเศร้าหมองเราเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะไปหาขหนมจีนมาสู่กันกินดีกว่าทิ์พองว่าบรรดาพี่ๆของหนุ่มเจริญพากันฟังอยู่ห่างๆรวมทั้งพี่เขยสองคนนั้นด้วยได้ยินบิดาสั่งให้หาขหนมจีนพวกหลอนจึงจัดการไปจัดสำรับแล้วก็ยกออกมาสู่กันกิน ใกล้ๆจะไปบางกอกแวะไปหาบ้างนะข้ามีอะไรจะให้จำเรียงบอกน้องชายยังติดใจฝีมือทำปีพาดของเขาในวันที่หลอนแต่งงานหลอนย้ายออกไปอยู่บ้านผู้ใหญ่สงซึ่งเป็นพ่อผัวเพราะทิดพุธเป็นลูกชายคนสุดท้องพี่ๆแต่งออกเรือนไปหมดแล้วจึงไม่มีใครอยู่กับบิดา ส่วนมารดานั้นเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่ผ่านมาและพี่จำเรียงหมันมาเยี่ยมยายบ้างนะเขาบอกพี่สาวตกลงทิฏพุธต้องมาเป็นเพื่อนฉันนะหล่อนอ้อนสามีได้แต่ต้องให้ข้าวว่างก่อนนะทิฏพุธว่าจำแรงเอ็งต้องปรนนิบัติยายให้ดีนะอย่างน้อยๆก็ให้ดีเท่ากับข้า แต่ถ้าจะให้ดีเกินหน้าข้าก็ไม่เป็นไรเขาบอกพี่สาวที่อายุแก่กว่าเพียงหนึ่งปีและเป็นคนเดียวที่เขาไม่ยอมเรียกพี่เพราะตอนเด็กๆทะเลาะ ก, กันบ่อยถ้าไม่ดีเท่าเองล่ะจะทำไหมข้านางสาวจำแรงยั่วแล้วเองก็จะรู้ข้ากลับมาเมื่อไหร่เองโดนเล่นงานแน่เกิดเองไม่ได้กลับล่ะ หมายถึงเอ็งไปตายเสียที่บังกอกจำแลงยายกับแม่จวนร้องเสียงหลงส่วนนนจเรญ น, นั้นใจแป้วลงไปอีกแทบจะเลิกล้มความตั้งใจที่จะไปเรียนบังกอกเสียเดี๋ยวนั้นในชีวิตเขาไม่เคยกลัวอะไรมากเท่ากับกลัวตายนางคนปากไม่มีมงคลปากไม่มีทรัพย์ยายว่า อย่างนี้มันต้องตบให้ฟันร่วงให้ปากแตกกินน้าพริกไม่ได้ไปสักเดือนหนึ่งทิดพองว่าลูกสาวคนเล็กนางสาวจำแรงหน้าซีดรู้สึกว่าตัวพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดจึงแก้ว่าข้าพูดเล่นนะไม่ได้ตั้งใจข้าขอโทษไม่เป็นไรที่หลังเองอย่าปากมากปากมอมอย่างนี้อีกก็แล้วกันเอาละลงมือกินขนมจีนกันได้แล้ว ประเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงป้านะ้าอาก็คงจะพากันมาเต็มบ้านไหนจะพวกลูกหลานแล้วก็ยังพวกเขยพวกสะภย้ยอีกหนุ่มเจริญจารนายหน้าแลงน้ำในน้องเล็กๆพากันแห้งขอดด้วยฝนไม่ตกน้องน้ำหลังบ้านตะแปะทสง ที่หนุ่มเจริญใช้เป็นที่ทำมาหากินก็แห้งจนเหลือแต่เปลือกตมหล่าปูปลาก็ดิ้นกระเสือกระสนพวกเด็กๆแห่กันมาจับไปแกงกินก็มากที่หลงเหลืออยู่ก็แห้งตายอยู่ในโคลนนนองน้ำที่ใหญ่และน้ำลึกยังคงเป็นที่อาศัยของหอยปูปลาเมื่อหนองน้ำหนึ่งแห้งลงหนุ่มเจริญก็เปลี่ยนไปหนองน้ำอื่นที่ ไกลออกไปเรื่อยๆเขาต้องมาเลี้ยงเป็ดใช้นี่ตะแปะซงด้วยว่าตอนสงกรานเงินเขาไม่พอซื้อของจึงไปขอเบิกล่วงหน้ามาสองตำลึงตะแปะซงให้ทำงานใช้นี่แก่ยี่สิบวันโดยคิดค่าดอกเบี้ยสองบาทแม้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบหากเขาก็ต้องยอมด้วยไม่มีทางเลือกเขาได้แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อตอนสงกรานต์เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตแม้จะต้องทำงานใช้นี่ตะแปะอีกยี่สิบวันก็ตามตะแปะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่อ้วจะเป็นนี่หรือพรุ่งนี้อ้วก็จะได้ค่าจ้างวันละห0สิสตางค์เหมือนเดิมวันนี้วันที่เท่าไรตะแปะสงถามวันที่ส0สิบเมษาอ้วเอาเงินลือไปเมื่อวันที่สิ ทำงานใช้ยี่สิบวันก็ครบใครบอกลือกักอีกหนึ่งวังเพราะวังที่สิบห้าลือไม่ไหลมาทางงานแต่แป้ไม่ยอมเสียเปรียบงั้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายเอาละถ้าอย่างนั้นมารืนนี้หลือต้องจ่ายค่าจ้างอัวแล้วอัวก็จะขอขึ้นเป็นวันละห0สิสตางค์เพราะอัวจะต้องไปหาไก ล, ไกล นนองน้ำใกล้ๆมันแห้งหมดแล้วเมื่อแกะเข็มมาเขาก็ต้องเข็มไปบ้างไม่ครึ่งอ้วไม่ครึ่งให้ลือ้องั้นอัวก็จะไปหาที่ใหม่ทาตกลงพรุ่งนี้อัวมาทาให้ลื้อเป็นวันสุดท้ายเขายื่นไม้ตายตะแปะทรงต้องใช้ความคิดอย่างนักนับตั้งแต่อตีคนนี้มารับจ้างเลี้ยงเป็ดเขาขายไข่ได้ราคา และก็ได้กำไรมากกว่าค่าจ้างหลายเท่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นมาทำอาจจะไม่ดีเหมือนอติคนนี้ก็ได้จึงพูดออมชอมว่าเอาอย่างนี้อ่าให้ลือวังละห้าสิบห้าซาตางไม่เอาเลือเอาเปรียบอัวมามากแล้วแค่ขอยืมเงินยี่สิบวันเลือคิดดอกเบีย้ยตั้งสองบาทเขาตอว่าตอขานตกลง ว่าครึ่งให้ลือเป็นหกสิบสตางค์ก็หลายผู้ว่าจ้างยินยอมโดยง่ายโดยคำนวณดูแล้วว่ามีกำไรหลายเท่าตัวเดือนต่อมาหนุ่มเจริญจำต้องออกไปหาหอยยังน้องมอบแกงน้องน้ำใหญ่ที่ไกลจากบ้านตะแปะไปถึงสามกิโลเมตรหากไม่ทำเช่นนั้นเขาก็จะต้องเปลี่ยนวิธีหาคือแทนที่จะงมหอยจากในน้ำ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมาขุดหอยจากดินซึ่งวิธีหลังนี้กว่าจะได้เต็มกระแตงก็ใช้เวลาตั้งครึ่งค้อนวันเขาจึงเลือกวิธีแรกโดยยอมเดินไกลออกไปวันนี้ก็ต้องออกไปยั ง, งหนองมอกแกงซึ่งใกล้บ้านลุงศินผู้เป็นพี่ชายของแม่จวนมารดาของเขาหนุ่มน้อยคิดว่าเมื่อได้หอยเต็มกระแตงแล้วก็จะแวะบ้านลุงศินขอกินข้าวเที่ยงสักมือ้อ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 ใช้มืองมมันขึ้นมาล้างโครนที่ติดอยู่นั้นออกแล้วเขาก็ต้องตาโตด้วยความดีใจเป็นที่สุดปูหอยเขาตะโกน ล, ลั่นหนองน้ำเจ้าหอยโข่งตัวนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากตัวหนังสือที่สลักเป็นชื่อของเขาก็โตตามหนุ่มเจริญดีใจจนบอกไม่ถูกปูหอยยังไม่ตายแสดงว่าเขาจะต้องมีชีวิตยืนยาวต่อไปอีก นุมน้อยออกแน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายและพ่อแม่พี่น้องหลังจากเรียนสาเร็จแล้วคนอายุ16บ <16 S 2> หกิวกระแตงหอยสาวเท้าเดินอย่างเร่งรีบตรงไปยังบ้านลุงศินมืออีกข้างหนึ่งถือปูหอยแน่นลุงครับดูอะไรนี่เขาชูหอยโของอวดผู้เป็นลุงทันทีที่ไปถึงอะไรของเองว่าเอกแกลลุงศินถาม ภาพเด็กชายไว้ผมแกะยังอยู่ในความทรงจำของแกแม้บัดนี้เขาจะกลายเป็นนมตัวผอมสูงแขนขายาวแก่งก้างแกก็พอใจที่จะเรียกชื่อเดิมของเขาปูหอยไงลุงปูหอยอะไรข้าไม่เห็นเข้าใจที่เองพูดนั่นมันหอยโขงนี่นาครับหอยโขงแต่มันเป็นปูหอยนะลุงคือเป็นพ่อ ของพ่อหอยเขาลำดับญาติให้มันแล้วยังไงลุงศรียังไม่ค่อยเข้าใจคือผมเคยเจอมันเมื่อสามเดือนก่อนที่แล้วตรงหนองน้ำหลังบ้านตะแปะทรงผมก็เขียนชื่อไว้ที่เปลือกของมันนี่ลุงเห็นไหมแล้วผมก็นําไปปล่อยไว้ที่เดิมวันต่อมาผมก็พยายามงมหามันแต่หาไม่เจอเพิ่งมาเจอวันนี้ มันเดินทางมาที่หนองมอกแกงได้ยังไงนะลุงตั้งสามกิโลถามยังแปลกใจเต็มที่มันก็เอาปากเดินสิวะ่ะแสดงว่ามันมีความวิริยะอุสาหะมากเองจำไว้นะเป็นคติสอนใจนะหลานว่าขนาดหอยมันเอาปากเดินยังเดินได้ไกลถึงเพียงนี้แล้วมนุษย์ละ่ะมนุษย์เอาตีนเดินแท้ๆบางคนยังแพ้หอย คำพูดของลุงสินทํทำให้หนุ่มเจริญได้ข้อคิดเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามเรียนให้สำเร็จเจ้าปูหอยตัวนี้จะคอยเตือนสติในยามที่เขาท้อถอยกินข้าวอิ่มแล้วเขาจะนำมันไปปล่อยยังน้องหม้อกแกงตามเดิมทุบหอยให้เป็ดกินเรียบร้อยแล้วหนุ่มน้อยจึงไปรับเงินจากตะแปะพร้อมเอ่ยลาตะแปะว่าขอบใจมากนะ ที่ให้อัวมีาไรายได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อัวจะทำงานให้กับลือพรุ่งนี้อัวไม่มาทำงานแล้วลือจะไปไหนรือจะไปทำที่อื่นอย่าออกเลยอัดตีและอัวจะคึ่งค่าจ้างให้ตัแปะทรงต่อรองขอบใจอัวไม่ได้ไปทำที่อื่นหรอกแต่จะไปเรียนต่อที่บางกอก มาเรื่องนี้จะเดินทางเขาบอกเหตุผลไปเลียงที่บางกอกตะแป๊ะทำตาโตที่เขาร่ำลือกันว่ายายของอตินิ้วรวยที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่ก็คงจะเป็นความจริงมิฉะนั้นคงไม่ส่งหล้านไปเรียมถึงบางกอกถูกแล้วตะแปะ๊ะคงอีกนานกว่าจะได้พบกันอีก ขอให้ลื้อร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคำอวยพรของเขาคงถูกอกถูกใจตะแปะเพราะแกะยื่นเงินให้เขาถึงสองบาทหกสิบสตางค์ทำไมมันมากนักละ่ะเขาถามงงงงอวกึงให้ลือ้สองบาทไม่เอาดอกเบี้ย ก, กะลื้คนมากไวกว่าอธิบายขอบคุณ ขอให้ลือมีความสุขมากๆนะเขายกมือไหว้ตาแปะและเปลี่ยนจากขอบใจเป็นขอบคุณจากบ้านตัดแปะหนุ่มเจริญก็ไปแวะหาหนุ่มกันเชียงและหนุ่มจำรัหเพื่อแจ้งข่าวเรื่องการไปเรียนต่อที่บางกอกในวันมาเรื่องนี้ข้าก็ไปพร้อมกับเองหนุ่มกันเชียงว่าพ่อข้าจะฝากข้าไปกับพ่อเอง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 พวกเองกลับมาอาจจะได้อุ้มหลานน่มจำรหัว่าเองมันดีจะททำให้ผู้หญิงเขามีทุกข์น่มเจริญว่าน่มจำรัดเขายินดีที่จะมีนิวาหรือเองว่าไงก็นมจำรหัหาเพื่อนข้าไม่รู้จะว่ายังไงวะรู้แต่ว่าข้าจะต้องไปเป็นเด็กวัดพ่อข้าจะให้พ่อเองช่วยไปส่งที่วัดสเกต ประโยคหลังเขาพูดกับหนุ่มเจริญไหนๆเราก็จะต้องจากกันข้าว่าพรุ่งนี้เราไปฉลองกันที่หนองสาหลายเอาไหมข้าว่านกกระสาชุมละเกินหนุ่มกัญเชียงชักชวนอย่าเลยจะไปอยู่บางกอกทั้งทีอย่าไปทําบาปเลยคนที่เคยไว้ผมแกแระว่านึกถึงคําพูดของบิดาเมื่อวันกระตันยูที่ว่า คนทำปาณาติบาตนั้นอายุสั้นงั้นเราก็จะไปที่ไหนกันดีหนุ่มกันเชียงถามอีกไปบ้านพี่สาวค่าเออบ้านผู้ใหญ่สงน่ะพี่สาวค่าบอกจะให้ของขวัญพวกเองไปกับข้าหน่อยหนุ่มจเจริญชวนอย่าเลยข้ากับเจ้าโกเป็นคนอื่น เผื่อพี่เองก็จะมีธุระคุยตามภาษาพี่พี่น้องๆข้าสองคนไม่อยากไปขัดคอหนุ่มจำรหัสให้เหตุผลหนุ่มเจริญจึงต้องไปหาพี่สาวแต่เพียงลำพังหนุ่มน้อยต้องเดินไปที่ท่าน้ำเพื่อนั่งเรือข้ามฟากไปยังฝั่งโน้นเขาจำยายนุ่นคนพายเรือได้ดีเพราะเคยโกงค่าหรือจ้างแกทุกวันสมัยที่ยังไม่ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฝั่งนี้ดังนั้น เมื่อขึ้นจากเรือจึงเอาเงินให้แกสิบสตางค์แล้วเดินขึ้นฝัง่งพ่อนุ่มลืมตังทอนนางรุ่นตะโกนเมื่อเห็นเขาเดินขึ้นจากเรือนางต้องทอนให้เขาห้าสตางค์ไม่ต้องทอนหรอกยกให้เขาบอกนางและพูดในใจว่าที่ข้าเคยโกงแก่เมื่อสมัยเด็กๆนะ่ะหายกันนะ เด็กหนุ่มเดินต่อไปอีกสองกิโลเมตรจึงถึงบ้านผู้ใหญ่สง์ที่พี่สาวเข้ามาอยู่ในฐานะสภัยแกะหรอขึ้นมาก่อนโอ้โหมายังไงเนี่ยเมียทิพพุทธดีใจที่น้องชายมาหาข้ามเรือแล้วก็เดินมาเขาบอกอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนถึงค่อยกลับนะหล่อนชวนน้องชายก็ได้ ท้าไม่รบกวนพี่รบกงรบกวนอะไรล่ะเดี๋ยวเองก็ต้องไปอยู่บางกอกแล้วกว่าจะได้พบกันก็อีกหลายปีหล่อนเดินเข้าไปในห้องแล้วหิ้วไถ่ใบเขื่องออกมาส่งให้น้องชายอา้าวของขวัญข้ารวบรวมไว้ตั้งแต่วันรับไหว้ะจะให้เองเอาไว้เป็นทุนเรียนที่บางกอกได้หนึ่งช่างพอดิบพอดี มันมากเกินไปข้ารับไม่ได้หรอกพี่เก็บไว้เถอะอีกดอยพี่มีลูกจะได้เอาไว้ซื้อกำไรใส่ส้อยให้ลูกน้องชายรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของพี่สาวไม่จำเป็นหรอกของปู่ของย่าเขามีแยะเองเอาไปเถอะอย่าให้พี่ต้องเสียน้ำใจเลยนะพี่สาวอ้อนวอนก็ได้ข้าเอาครึ่งช่างก็แล้วกัน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 หนุ่มน้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทรงละทิศพุทพี่เคยส่วนคนจมูกบี้ที่มาด้วยเขาไม่รู้จักล้างไม้ล้างมือกันแล้วคนทั้งสี่ก็ลงมือกินข้าวคนจมูกบี้ยังไม่กล้าร่วมวงเพราะเป็นลูกจ้างเขาเอ้าวแหลมมากินพร้อมๆกันสิทิศพุทชวนในคนจมูกบี้ที่ชื่อแหลม ไอเอนไออัพอมอินออังออในคนชื่อแหลมตอบอย่างเจียมตัวทิพพุธจึงขยันขยอว่ามากินเสียพร้อมๆกันนี่แหละกินทีหลังมันจะไปอร่อยอะไรในแหลมจึงเดินเข้ามานั่งร่วมวงทันทีที่เขานั่งนางจำเรียงก็ลุกออกไปอย่างรังเกียจหล่อนตั้งใจว่าจะไม่ยอมกินข้าวร่วมวงกับไอบี้ผู้นี้เป็นอันขาด อุตริชื่อไอแหลมข้าวว่าชื่อไอบี้ยังจะเหมาะกว่าหล่อนคิดด้วยรู้สึกเดียดฉัน